มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่สองประโยคที่มีความหมายที่ลึกซึงมากที่เป็นความจริงที่จะทำให้ดับความหลงทั้งหลายดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราได้ คำสอนสองประโยคนี้คือหนึ่งมโนปุบังขมาธรรมาคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นของล้ำค่าใจเป็นทรัพย์ของเราส่วนอีกคำประโยคหนึ่งก็คือสัพเพธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากใจเป็นอนัตตา คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรก็คือเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองแล้วเราก็จะได้มาดูแลรักษาของที่เป็นของเราก็คือใจนียเอง ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจากเราไปเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดส่วนของต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นร่างกายของเราก็เป็นของดินน้ำลมไฟทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆก็เป็นของดินน้ําลมไฟทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักนี้เราก็จะมาปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดอยู่ที่เราถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเพราะถ้า เราไม่ปล่อยเราก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเพราะเวลาที่ของต่างๆที่เรารักที่เราชอบที่เราถือไว้เป็นของเราเป็นตัวเราจะต้องจากเราไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพียงแต่คิดถึงมันก็ไม่สบายใจแล้ว เพียงแต่คิดว่าจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบุคคลนั้นบุคคลนี้ไปสูญเสียร่างกายนี้ไปก็เกิดความไม่สบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราปล่อยได้วางได้ตัดได้ไม่ยึดไม่ติดกับของต่างๆกับบุคคลต่างๆ กับร่างกายของเราเรากับจะมีความสุขกับจะมีความสบายใจถ้าเราไม่ได้มีพระพุทธเจ้ามาเสนอแนะมาบอกพวกเราให้รู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะก่อติดกับสิ่งต่างต่างที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรา ถึงแม้ว่าใจของเราจะทุกข์ทรมานขนาดไหนเราก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้สลับไม่ได้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเห็นโทษของการยึดติดเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดเราก็จะ รู้ว่าเราจะต้องปล่อยมันที่การที่เราจะปล่อยสิ่งต่างๆนั้นมันต้องใช้ธรรมะเครื่องมือเพราะโดยลำพังเพียงแต่รู้ว่าเราต้องปล่อยแต่เราไม่มีกำลังที่จะปล่อยเพราะแรงที่ดึงใจของเราให้ไปยึดไปติดนี้ มันมีกำลังมากกว่ากำลังที่เราจะปล่อยดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างกำลังเพื่อจะได้ปล่อยสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเวลาที่เราต้องแยกทางกัน การปฏิบัติธรรมก็เพื่อสร้างกำลังที่จะถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆในร่างกายของเราในตัวในความรู้สึกที่มีอยู่ในร่างกายของเราถ้าเราไม่มีเครื่องมือถึงแม้ว่าเราจะ ได้ยินได้ฟังว่าการยึดติดกับสิ่งต่างๆจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจแต่เราก็จะปล่อยไม่ได้เช่นคนที่ยึดติดกับสุรายาเมาหรือยาเสพติดทั้งๆที่รู้ว่าการเสพสุรายาเมา การเสพยาเสพติดนี้เป็นความทุกข์ทรมานใจแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะเวลาจะเลิกนี้ความทุกข์ทรมานใจมันรุนแรงกว่าความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการยึดติดแต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่จะมา ทำให้การยึดการปล่อยวางนี้ไม่ทุกข์ทรมานเราก็จะสามารถปล่อยวางได้เหมือนกับเวลาที่เราต้องรักษาตัวไปโรงพยาบาลหมอต้องทำการผ่าตัดถ้าหมอไม่ดมยาให้เราก็จะ เจ็บมากปวดมากเราก็จะไม่ยอมให้หมอทำการผ่าตัดแต่ถ้ามียาสลบทำให้เราไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดในขณะที่หมอทำการผ่าตัดเราก็จะให้หมอผ่าตัดเราได้หรือเวลาที่เราไปทาฟันไปถอนฟันถ้าไม่ได้ฉีดยาฉา เวลาจะถอนฟันนี้มันเจ็บมากปวดมากเราจะไม่อยากให้หมอถอนให้แต่ถ้าหมอมียาชาทีดเข้าไปในเงือบพอเกิดอาการชาขึ้นมาแล้วเวลาหมอถอนฟันนี้ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยฉันใดการถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ที่เป็นตัวที่ทำให้เรายึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราก็จำเป็นจะต้องมียาชามียาสลกยาชาหรือยาสลกที่จะช่วยทำให้การถอดถอนอุปทานนี้ออกจากสิ่งต่างๆเป็นไปได้อย่างไม่ยากเย็นก็คือ การทำใจให้สงบเป็นอุเบกานั่นเองหรือที่เรียกว่าสมาธิถ้าใจมีสมาธิมีอุเบกขาเวลาที่จะปล่อยอะไรนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะใจตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความเป็นกลางนั่นเอง คือไม่รักไม่ชังเมื่อไม่รักไม่ชังเวลาต้องเสียสิ่งที่รักไปก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเวลาที่จะต้องประชิญของที่เราไม่มีความชังเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่เวลาถ้าเราไม่มีอุบเบกขาเรามีความรักมีความชัง เวลาเราต้องเสียของที่รักไปเราก็จะเดือดร้อนหรือเวลาเราต้องประสบต้องเจอกับของที่เราไม่รักของที่เราเกลียดเราก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เวลาเราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเฉยๆเวลาจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไป เราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะตอนนั้นเราไม่มีความรัความไม่ชอบกับสิ่งใดๆนั่นเองนี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราจะปล่อยวางถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่สิ่งต่างๆที่เราปล่อยวางได้ค่อนข้างที่จะง่าย ก็คือของภายนอกของร่างกายเราของนอกกายนี้เราปล่อยง่ายกว่าของที่อยู่ในกายของเราเช่นอวัยวะต่างๆหรือร่างกายนี้เป็นของที่ปล่อยยากกว่าทรัสมบัติข้าวของเงินทองเราจึางต้องฝึกปล่อยจากข้างนอก ปล่อยจากของที่ง่ายก่อนอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสอนให้เสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตด่าเมิดถึงเวลาที่ต้องเสียชีวิตก็ให้เสียชีวิตไปเพื่อรักษาใจเพื่อรักษาธรรมที่จะคุ้มครองใจไม่ให้ทุกข์กับ การสูญเสียชีวิตไปอันนี้ดังนั้นท่านถึงทรงสอนให้เร า, เามาปล่อยวางมาเสียสละสิ่งที่อยู่ภายนอกของร่างกายไปก่อนคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆความสุขความสะดวกความสบาย ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะเป็นเหมือนกับติดยาเสพติดนั่นเองการที่เราจะปล่อยได้เราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว ไม่ใช่เป็นของเราเป็นดินน้ำลมไฟของทุกอย่างในโลกนี้ล้วนทํามาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่ถาวรมีการรวมตัวแล้วก็ต้องมีการแยกตัวกันไปแยกสลายกันไปไม่อยู่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา เวลาที่เขาต้องยากทางกันไปก็เป็นเวลาที่จะทำให้เรามีความเสียอกเสียใจเพราะความอยากของเราที่อยากจะให้ของต่างๆที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่แบบไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เคดีอย่างไรก็อยากจะให้ดีอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ไม่มีของอะไรในโลกนี้ที่จะดีไปเรื่อยๆของที่ได้มาใหม่ๆก็ดีแต่พอใช้ไปหรือปล่อยทิ้งไว้เวลาก็จะทําให้มันเสื่อมคุณภาพไปของที่ดีก็กลายเป็นของไม่ดีไปได้กลายเป็นของเสียได้ นี่ก็คือการสอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงไปยึดติดอยู่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยได้เราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันมาฉีดยาสลบหรือมาฉีดยาชา เพื่อให้ใจของเราไม่รู้สึกสะเทือนใจเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราหวงไปเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆถ้าเราไม่มีสมาธิเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราจะมีความเศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้าเราทำสมาธิได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เราจะรู้สึกเฉยๆนี่คือเครื่องมือที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากจะถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็น ตัวเราเป็นของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเขาในเวลาที่เขากับเราต้องแยกทางกันไปและในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับเขาเราก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลเพราะวิตกกังวลอย่างไรก็ต้องแยกทางกันดีอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงของ ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องมีการเสื่อมมีการสูญหมดไปมีการพัดพากจากกันไปแล้วก็เป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครมายับยั้งความจริงอันนี้ได้ถ้าเรามีอุเบกขาภายในใจของเรา เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเวลาเรามีอยู่เบกขานี้เราจะไม่มีความรักไม่มีความชังกับสิ่งต่างๆเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เราลักเราก็จะเฉยเฉยเวลาที่เราต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเฉยเฉยนี่คือ เครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาการปฏิบัติถ้าไม่มีสมาธิอย่าไปหวังว่าจะได้ผลเลยเหมือนกับการผ่าตัดโดยที่ไม่ดมยาคนไข้ก่อนหรือการถอนฟันที่ไม่ฉีดยาชาให้กับคนไข้ก่อนจะไม่มีวันที่จะทำได้สำเร็จจะไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้อ งอกเนื้อร้ายออกจากร่างกายไปได้จะไม่สามารถถอนฟันที่ให้ความเจ็บปวดกับร่างกายได้เพราะคนไข้จะกลัวความเจ็บปวดที่เกิดจากการาผ่าตัดเนือจากการถอนฟันไปแต่ถ้ามียาฉีดให้ชาก็จะถอนคนไข้ก็จะไม่ต่อต้าน คนไข้ก็จะปล่อยให้หมอถอนฟันได้อย่างสบายเช่นเดียวกับการผ่าตัดถ้าคนไข้ถูกดมยาสลบแล้วก็จะไม่รู้เรื่องเวลาหมอเอามีดไปผ่าเนื้อก็จะไม่รู้สึกอะไรหมอก็สามารถที่จะทำงานได้โดยอย่างสบายไม่มีคนไข้ไม่ดิ้น อันนี้ก็คือการถอดถอนอุปทานกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราก็เป็นเหมือนงานผ่าตัดหรือเป็นเหมือนกับการถอนฝันนี่เองถ้าเราไม่มียาสลบไม่มียาชาเราจะไม่สามารถทําการผ่าตัดหรือทําการถอนถอดถอนอุปทานกิเลสตัณหาออกไปจากใจของเราได้ ดังนั้นไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามถ้าเขาบอกว่าสมาธิไม่สำคัญก็พูดได้เลยว่าเป็นคนพูดที่ไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้านี่สงสอนสมาธิในมรรคแปดสัมมาสมาธิในไตรสิกขาก็ส่งสอนสมาสมาธิสีนสมาธิปัญญา ในภาวนาก็สอนสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนายันใครมาพูดว่าสมถะภาวนาไม่สำคัญสมาธิไม่สำคัญก็แสดงว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติมาถ้าเขาปฏิบัติมาเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาอาจจะไปแอบอ้างคิดว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่ผู้ฟังธรรม แล้วผู้ฟังทำสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังโดยที่เขาอ้างว่าเป็นปัญญาล้วนๆอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะคนที่ฟังนี้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะบรรลุได้ถ้าคนไม่มีสมาธิฟังไปก็บรรลุไม่ได้ อย่างสมัยพระพุทธการคนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทำให้ฟังในกลุ่มแรกๆนี้ล้วนเป็นนักบวชล้วนเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิสมบูรณ์แล้วขาดเพียงปัญญาเท่านั้นพอทรงสแสดงปัญญาสอนให้เขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีใจเท่านั้นที่เป็นตัวเราเป็นของเรา ถ้าเราอยากจะรักษาตัวเราของเราไม่ให้ทุกข์เราก็ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างพอเขาฟังเขาก็ปล่อยได้เพราะเขามีสมาธิมียาชาพอพระเจ้าบอกว่าให้ถอนฟันออกเขาก็ถอนได้พอบอกว่าให้ผ่าเอาเนื้องอกออกไปเขาก็ผ่าได้เพราะเขามียาชามียาสลบต่ พวกเราหรือคนที่ไม่มีสมาธิอย่างพวกเราเราฟังธรรมกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วฟังแล้วเราถอนถอดถอ น, ถ อ, นอุปทานกิเลสตัณหาออกไปได้หรือไม่เราถอนไม่ได้เพราะเรากลัวความทุกข์ที่เกิดจากการถอนเพราะการถอนนี้เราจะต้องไปปฏิบัติธรรมกันไปเจริญสติไปสร้างสมาธิกัน เราก็ไม่อยากไปเพราะเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ที่จะต้องไปอยู่วันไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เราได้เสพให้เราได้มีความสุขเรายังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่เราก็เลยไม่อยากจะไปกันพอมีคนมาสอนว่าไม่ต้องไปก็ได้บรรลุได้ ให้ใช้ปัญญาเลยให้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็พิจารณาตามเหมือนกับในสมัยพระพุทธการฟังเทศฟังธรรมแล้วพิจารณาตามสัพเพธรรมานตาพอเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็จะปล่อยได้มันปล่อยไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังมันไม่มียาชาไม่กล้าถอดถอนเวลาถอดถอนนี่มันทุกข์ทรมาน เหมือนเวลาคนที่จะต้องเลิกเติ่อุรายาเมาคนที่ต้องเลิอกอยาเสพติดนี่ถ้ามีสมาธินี้เลิกได้อย่างง่ายดายเพราะจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจอยู่ในความสงบใจไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงตันหาความอยากที่จะเสพสุราไม่ได้ปรุงแต่งตันหาที่อยากจะเสพยาเสพติด พอไม่ได้เสพมันก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรมันก็รู้สึกเฉยๆแต่คนที่ไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานี้ใจคิดปรุงแต่งถึงความอยากจะดื่มสุราอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เคยเดื่มแล้วไม่ได้ดืม่มมันจะคิดแต่เรื่องดื่มสุราเวลาที่เคยเสพยาเสพติดแล้วพอไม่ได้เสพมันก็จะคิดอยู่แต่เรื่องเสพยาเสพติด อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้เสพมันถึงจะหยุดคิดไปในทางความอยากจะเสพแต่ก็หยุดเพียงชั่วคราวไม่นานเดี๋ยวความอยากจะเสพก็โผล่ขึ้นมาใหม่อย่างนั้นคนจึงไม่สามารถเลิกสุราหรือเลิกยาเสพติดกันได้ยอมตายดีกว่าทุกทรมาน อยู่กับการไม่ได้เสพยาเสพติดแต่ถ้าได้มาฝึกสมาธิได้มาทาใจให้สงบเป็นอุบเบกขาได้ได้รวมเป็นเอหนึ่งเป็นเอกขัตตารลมสัตแต่ว่ารู้ได้เวลาออกจากสมาธิมานี้จะมีอุบเบกขาที่จะมาทำให้เราสามารถที่จะ ถอดถอนอุปทานในสิ่งต่างๆได้ถ้าออกมาแล้วถอนไปได้ครึ่งทางแล้วหมดกำลังเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อนเหมือนกับหมอที่ฉีดยาชาพอยังถอนไม่เสร็จคนไข้เริ่มรู้สึกเจ็บหมอก็ฉีดยาชาเพิ่มเข้าไปแล้วค่อยทำการถอนต่อไป หรือการดมยาสลบในการผ่าตัดก็แบบเดียวกันเวลาที่ฤทธิ์ของยาสลบหมดกําลังลงคนไข้เริ่มรู้สึกตัวเริ่มดิ้นตอนนั้นหมอก็ต้องร่มดมยาใหม่เพิ่มยาสลบขึ้นไปใหม่ให้คนไข้สลบให้นิ่งเฉยๆการถอดถอนก็เหมือนกันหลังจากออกจะมาที่มาแล้วก็เหมือนกับคนไข้ได้รับยาชาได้รับยาสลบ เราก็สามารถที่จะต่อต้านต่อสู้กับความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอใจของเราอ่อนกำลังลงเริ่มจะแพ้ความอยากเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปไปไปเพิ่มอุเบกขาใหม่เพราะอุเบกขาเก่าที่เราได้มานี้มันอ่อนกำลังลงไป นี่คือการปฏิบัติในการถอด ถ, ถอนอุปทานกิเลสตัณหาต่างๆจำเป็นจะต้องมีการฉีดยาชาดมยาสลบอย่างต่อเนื่องเวลาใดที่ใจเริ่มหมดกำลังอุเบกขาเวลานั้นก็เป็นเวลาที่จะต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่พอได้อุเบกขาแล้วก็ออกมาถอด ถ, ถอนต่อ มาลบรู้รูปเสียงกลิ่นโลดผดตะพะพอเห็นสิ่งที่เคยดื่มก็ยอยากดื่มก็หยุดได้ถ้ามีอุเบกขาเพราะเราจะใช้ปัญญาบอกว่าถ้าไปทําตามความอยากความอยากนี้ก็จะมีอายุยาวขึ้นไปถ้าเราฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากได้ความอยากนี้ก็จะอ่อนกําลังลงไปอุปทานที่มีความยึด ติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะอ่อนกําลังลงไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดกําลังไปถ้ายังถอนไม่หมดก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปเติมพลังใหม่เติมอูเบกขาใหม่แล้วพอออกมาเจอสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นเราชอบดื่มสุราชอบเสพยาเสพติดหรือชอบดื่มกาแฟ หรือชอบดูภาพยนตร์ดูละครหรือว่าอะไรก็ตามพอเรามีอุบเบกขาออกมามันจะรู้สึกเฉยๆแล้วเราก็คอยสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากถ้าเราเห็นว่าเราสู้ไม่ไหวเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อนแล้วออกมาใหม่แล้วก็สอนใจไปเรื่อยๆซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้ไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกาลังไปเองนี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถถอดถอนอุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆที่เป็นสัพเพธรรมาอนัตตาได้หมดที่เราจะได้รักษาใจของเราที่เป็นสมบัติอน้ําค่าไม่ให้ลองทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันถ้าเราฟังทำแล้วเราตัดได้ปล่อยวางได้ก็แสดงว่าเรามีอุเบกขาอยู่ภายในใจเราไม่เดือดร้อนมีอะไรเราสละได้ตัดได้สละทรัพย์ได้สละอวัยวะได้สละชีวิตได้ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็แสดงว่า เรายังไม่มีอุเบกขาพอสละได้ก็เพียงแต่เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับตละได้อย่างเต็มที่ก็แสดงว่าเรามีอุเบกขาเพียงเล็กๆน้อยๆก็ดีกว่าคนบางคนที่สละไม่ได้เลยคนบางคนนี้ไม่ยอมทําทานเลยมีความตนันนิมีความหวง ในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าตายไปก็เอาอไปไม่ได้แต่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันมีกำลังมากจนทำให้ไม่สามารถที่จะเสียสละทาบุญทาทานได้เลยดังนั้นขอพวกเราจงมองเข้าไปที่อุเบกขา ว่าเรามีกันมากหรือน้อยถ้าเรายังปล่อยได้น้อยก็แสดงว่าเรายังมีอุเบกขาน้อยถ้าเราปล่อยได้มากก็แสดงว่าเรามีอุเบกขามากปัญญานี้เรามีกันมากพอแล้วเพราะว่าเราฟังเทศฟังธรรมกันมาจนหูฉีกแล้วเรารู้แล้วว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอะไรกัน แต่พอถึงเวลาที่จะปฏิบัติกับมันจริงๆเราทําไม่ได้เลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็เพราะว่าเราขาดอุบเบกขาสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันกับตาละปัดกันสมัยก่อนเขาขาดปัญญากันพวกนักบวชทั้งหลายปัญจภาพปัญจวัคคีพวกนักบวชในลัทธิต่างๆเขามี อุเบกขากันแต่เขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เขายึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆถ้าเขาอยากจะหลุดพ้นอยากจะหลุดจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับเขาเขาก็ต้องหยุดความอยากก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์แรกที่ได้ตัดสรตว รือว่าการที่เราจะถอดถอนอุปทานที่เรายึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเรานี้ที่จะต้องจากเราไปนี้เราต้องถอดถอนด้วยการยุติความอยากอยากไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วต่อไปสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหมดความหมายไป นั้นสิ่งนี้จะอยู่หรือจะไปก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาเพราะเรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใหขึ้นมาเพราะเราไม่มีอุเบกขาที่จะปล่อยเขานั่นเอง ดังนั้นการปฏิบัติของเราจึงต้องมาเริ่มต้นที่การจเจริญสตินี่เองเพราะการจเจริญสตินี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจเป็นสมาธิเป็นอุบเบกขาได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่การ ยุติของการปรุงแต่งถ้ามีการปรุงแต่งมันก็จะมีความอยากตามมาถ้าไม่มีความปรุงแต่งความอยากมันก็จะไม่มีพอไม่มีความอยากใจก็จะเป็นอุเบกขาได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิอย่าไปฟังคนอื่นที่บอกว่าไม่ต้องเจริญสมาธิ ถ้าไปเชื่อเขาก็หลงทางแทนที่จะไปนิพพานก็จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะจะไม่สามารถที่จะหยุดตันหาความอยากได้ไม่สามารถถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้แล้วก็จะต้องทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไป ดังนั้นเราต้องมาสร้างสติกันให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบใจก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆถ้ามีการคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความคิดปรุงแต่งได้ถูกลังับไปถึงแม้ว่าจะเป็นการละงับชั่วข่าวก็ตาม แต่ก็เป็นพอกับประโยชน์ที่เราต้องการคือเราต้องการอุเบกขาที่เกิดจากการระ ง, งับความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี้เราไม่สามารถที่จะระ ง, งับมันได้อย่างถาวรพอเราออกจากสมาธิมาความคิดปรุงแต่งมันก็กลับมาใหม่แต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วมันจะคิดไปในทางไหนก็ไม่เป็นปนัญหาอะไร ว่ามันจะไม่ทําให้ใจของเราวุ่นวายเหมือนกับตอนที่เราไม่มีอุเบกขาเวลาเราไม่มีอุเบกขาคิดไปทางนู้นก็ทุกข์คิดมาทางนี้ก็ทุกข์แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วคิดไปทางไหนก็เฉยไม่เดือดร้อนดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติกันให้ได้วิธีเจริญสติได้ตําราท่านก็แสดงไว้ถึง40สวิธีด้วยกัน ทีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบนะลองไปศึกษาดูลองเลือกใช้ดูไปเปิดเมนูดูเหมือนกับเมนูอาหารเวลาไปร้านอาหารนี่ต้องไปเปิดเมนูดูก่อนเลือกอยากจะกินอาหารชนิดไหนกรรมฐานสี่สบนี่ก็เป็นเหมือนเมนูเพราะว่าจริตของคนแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันท่านแบ่งไว้อยู่5้าจริตด้วยกันมีพุทธิจริตมี โมหะเจริญโทสะเจริญราคะจริญแล้วก็ศรัทธาจริตเนี่ยจริญของแต่ละคนนี้ก็จะชอบอาหารชนิดต่างๆไม่เหมือนกันเช่นศรัทธาจริญก็จะชอบพวกอนุสติเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติพวกที่เป็นพุทธิจริตก็ชอบของจริงเช่นอสุภะเช่นมรา น, านุสติ ชอบดูของจริงเหมือนคนที่ชอบดูหนังตลกบ้างบางคนก็ชอบดูหนังเศร้าโศกบ้างบางคนก็ชอบดูหนังตื่นเต้นบ้างหนังผีอย่างนี้นี่ก็เจริตของคนเหมือนกันฉันใดเวลาเราดูกรรมฐานก็เหมือนดูหนังดีๆนี่เองเราก็จะเลือกดูช่องที่เราชอบดูกันถ้าเราเป็นพวกศรัทธาจริตเราก็จะชอบพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือจะหรือจ ะ, <c oughs> จะเจริญบทพุทธคุณก็ได้เอติปิโสอรหังสัมมาไปสวดไปก็ใจก็จะเย็นจะสบายใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จริตของเราบางทีมันก็ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนได้บางเวลาก็เป็นศรัทธาจริตบางเวลาก็เป็นราข้าจิตขึ้นมาก็ได้ บางเวลาก็มีความไข้มีราคะชอบเสพกา ร, รมเราก็ต้องใช้อสุภกรรมฐานมาลั ง, งับกรรมฐานนี้ก็เป็นเหมือนยาที่จะรักษาใจให้มันหายฟุง้งซ่านถ้าเกิดโทสะเรจริตท่านก็ให้ใช้เมตตาภาวนาผมวิหารสี่เมตตากรุณามุนิตาอุบเบกขา อันนี้ก็อยู่ในกรรมฐาน 40. สี่สิบากศพสิบ ป, ประกาศนี้ก็สำหรับคนที่ชอบของจริงพุท ธ, ธิจริตอยากจะรู้ว่าอนาคตของร่างกายนี้จะเป็นอย่างไรท่านก็ให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูศิ์ไปดูศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าที่มีลักษณะต่างๆกันให้ศึกษาถึงความจริงของร่างกายที่เรายึดติดอยู่นี้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร เพื่อเราจะได้ปล่อยวางมันได้นั่นเองเพื่อจำเพื่อที่เราจะได้ทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ดังนั้นกรรมฐานนี้มีอยู่ทั้งสี่สบชนิดอนุสตินี้ก็มีอยู่สิบข้อด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังข า, า, านุสติมรณานุสติเทวานุสติอานาปนสติอันนี้ อยู่ในกลุ่มของอนุสติอสุภสิบนี้หรืออาการ 32. สาสสองศึกษาดูให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนก็ให้ดูอาการสาสบสองไปพิจารณาอาการสาแยกออกมาเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนสว่วนเราก็จะเห็นว่าไม่มีชิ้นไหนที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเลย มีแต่ผมมีแต่ขนมีแต่เล็บมีแต่ฟันมีแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีผังผืดมีปอดมีลำไส้ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในลำไส้อาหารที่กินมาวันนี้ก็เรียกว่าอาหารใหม่อาหารที่กินไปแล้วเมื่อวันก่อนก็เป็นอาหารเก่า แล้วในในกระโหลกศีรษะก็มีเยื่อมีสมองอยู่ในกระโหลกศีรษะแล้วในทั้งร่างกายนี้ก็มีน้ำชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเลดน้ำอะไรต่างๆเป็นไปหมดไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเลยถ้าเราแยกแยะออกมาดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะสงบเป็นอุบเบกขา แล้วก็จะเกิดปัญญาจะสามารถทำให้เราถอดถอนอุปทานความหลงความยึดติดในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราได้กรรมฐานสี่สิบนี้บางชนิดก็เป็นเป็นอารมณ์ของสมถะรุ่นเพียงอย่างเดียวกรรมฐานบางชนิดก็เป็นอารมณ์ทั้งสมถะและวิปัสสนา คือเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเช่นการพิจารณาอาการ3 2สองพิจารณาซากศพสิบชนิดพิจารณาความตายอันนี้จะเรียกว่าเป็นทั้งสมถะและเป็นทั้งวิปัสสนาเพราะจะทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขาได้และถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ไปพร้อมๆกันเลย อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยถ้าอยากจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันต้องใช้แบบนี้ใช้ดูอาการดูอาการสามสิบสองแยกแยะอาการต่างๆออกมาให้เห็นชัดว่าไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเดินพิจารณาดูซากศพสิบชนิดด้วยกันว่าร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วในที่สุดจะเป็นอย่างไรเช่นในช่วงนี้แหละชาวจีนจะต้องไปเยี่ยมป่าช้ากัน น่าจะให้เขาขุดเปิดให้ดูปู่ย่าตายายว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอยู่ขั้นไหนแล้วอยู่ศพอยู่ลำดับที่เท่าไหร่มีศพสิบลำดับด้วยกันตายใหม่ตายเก่ากำลังพองกำลังขึ้นอื่นหรือว่าเน่าป่วยผุไปแล้วอันนี้แหละเรียกว่าไปเยี่ยมป่าช้ากัน ถ้าอยากจะไปเยี่ยมปราชาแบบได้ปัญญาได้ประโยชน์ก็ต้องให้เขาเปิดหลุมศพให้ดูศพที่นอนอยู่ในนั้นไปถึงก็ไม่ได้เห็นอะไรเห็นแต่ดินเห็นแต่สิ่งที่เขาปลูกสร้างทัพโรงศพไว้เห็นแต่ป้ายเห็นแต่ชื่อเท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องบอกให้เขาช่วยเปิดปราช้าให้ดูหน่อยมันจะได้เกิดปัญญาขึ้นมามันจะได้ตรงได้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นใน ร, ร่างกายนี้ได้ว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะทำให้เห็นความจริงคำสอนของพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพเพธรมานาตตาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมี ใจเท่านั้นที่เป็นตัวเราเป็นของเราที่ไปกับเราหลังจากที่เราต้องเสียร่างกายนี้ไปแล้วแต่เราจะเอาใจไปเอาอะไรไปกับใจเท่านั้นอย่าเอาความสุขไปหรือจะเอาความทุกข์ไปถ้าเราไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจให้ปล่อยวางเราก็จะไปแบบเอาความทุกข์ไป ว่าเวลาไปนี้จะโกลาหน์เราสัมเราสายทั้งคนอยู่ทั้งคนจะไปร้องโหมร้องไห้กันเป็นใหญ่เป็นโตไปหมดร้องอยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไประงับยับยังความยากทางความแยกจากกันได้แต่ถ้ามีธรรมะคือมีสัพเพธรรมานตามาสอนใจก็จะแยกกันแบบ สงบแยกกันแบบสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแยกแบบไปแบบไม่ต้องกลับมามาล้องห่มล้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นสัพเพตมานาตาต่อไปก็จะไม่กลับมาอยากจะได้อะไรเพราะรู้ว่าไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วก็ต้องหมดไปอยู่ดี อันนี้เือเรื่องของการสร้างอุเบกขาขึ้นมาโดยใช้กรรมฐานสี่สิบชนิดควรจะไปศึกษาหาดูดูเอาว่าวิธีไหนที่จะเป็นวิธีที่จะเหมาะกับเราการปฏิบัติมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนบ้างก็ได้เช่นบางเวลาเราก็จะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ได้ คอยจดจ่ออยู่กับการทำงานของร่างกายไม่ว่ากำลังจะทำอะไรกำลังเดินกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนกำลังนั่งหรือกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้ใจเฝ้าผูกติดอยู่กับการทำงานของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปอยู่ที่อื่น เช่นบางทีเราทําอะไรอยู่แต่ใจเราไปถึงกรุงเทพแล้วแต่ร่างกายเรายังอยู่ที่นี่อยู่บางทีเนี่ยกำลังนั่งฟังเท่ๆอยู่นี่บางทีใจไปแล้วเดี๋ยวออกจากที่นี่จะไปไทยไปที่ไหนต่อจะไปหม่ําที่ไหนกันดีต่อ <c oughs> คิดไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติก็ต้องอยู่กับปัจจุบัน ตอนนี้กำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในหูถ้ามัวถ้าใจมัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนีเ้เรื่องที่ได้ยินทมที่ได้แสดงที่เข้ามาในหูมันจะเข้ามาในใจไม่ได้เพราะมันมีเรื่องอื่นคอยดันเอาไว้คอยป้องคอยกันไม่ให้เข้ามา มันก็เลยต้องเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปฟังมาต้องนานก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็มาเทศมาบ่นว่าคนเทศน่เทศอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าตัวเองไม่ตั้งใจฟัง้วยมัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักของการเจริญสติ เป้าหมายของการเจริญสติก็คือดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ mm hmm. เพื่อที่เวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้เพราะจุดที่ใจจะสงบได้นี้ต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นถ้าใจอยู่ในอดีตก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้อยู่ในอนาคตก็เข้าไม่ได้อยู่ที่นู้นก็เข้าไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันอยู่ตรงนี้สิ่งที่จะดึงใจให้เราอยู่ตรงนี้ก็คือสตินี่เองไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปนาสติเนี่ยคือกรรมฐานเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะดึงใจให้เข้ามาสู่ปัจจุบันและเข้าสู่อุเบกขาได้ตามลำดับต่อไป นี่คืองานที่เราจำเป็นจะต้องทำเป็นงานที่ค่อนข้างจะช้าเพราะว่ากว่าจะได้ผลนี่มันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้เราก็ต้องหมั่นเติมน้ำลดน้ำอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีฝนเราต้องลดน้ำทุกวันถ้าเราอยากจะเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ ถ้าลดได้บางแห่งนี้ก็ให้ลดทั้งวันเลยก็มีระบบน้ําหยดมีน้ําหยดหล่อเลี้ยงทั้งวันต้นไม้ก็จะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วสตินี้ก็เหมือนกันถ้าเราเจะเริญสติเฉพาะเป็นช่วงเหมือนกับลดน้ําต้นไม้มันก็จะช้าถ้าเราเอาแบบน้ําหยดคือเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี้มีการเจริญสติอยู่ตลอดเวลา อันนี้แหละจะทำให้เกิดผลขึ้นได้เร็วนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีก็จะสงบได้จะรวมได้ถ้าทำสติแบบขาดๆเกินๆเผลอบ้างเผลอซะส่วนใหญ่นานๆถึงจะนึกถึงพุโทโธทีนานๆถึงจะมาเฝ้าจดจ่อดูร่างกายทีเวลานั่งสมาธินั่งไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่สงบพอนั่งยี่ ได้ครึ่งชั่วโมงก็ปวดเมือ่อยตรงนั้นปวดเมื่อยตรงนี้ก็ยอมแพ้นั่งต่อไปไม่ได้นี่ก็เพราะว่าสติไม่ต่อเนื่องดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มันต่อเนื่องทุกเวลานาทีอย่าให้ใจไปคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นการที่เราจะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องนี้เราก็ต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่น เป็นแบบนักบวชอย่างนี้ไม่มีงานธุรกิจต่างๆที่จะต้องไปคิดไปวุ่นวายด้วยไม่ไม่ต้องไปใช้สังขารความคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆถ้าเรายังทางานทาการทามาหากินทำธุรกิจอะไรต่างๆอยู่นี่อยากไปหวังในเรื่องการเจริญสติเลยมันเจริญไม่ได้เพราะมันต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งไปทั้งวันตื่นขึ้นมานี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าวันนี้จะไป ทำอะไรไปพบกับใครมีเรื่องอะไรที่จะต้องทำมันคิดตลอดเวลาในขณะที่กำลังเตรียมตัวเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็คิดไปเรื่อยเนี่ยเป็นเรื่องของคนไม่มีสติมีก็เล็กน้อยมีพอที่จะทำให้ไม่ถึงกับเป็นเหมือนคนบ้าเท่านั้นเองคือมีสติพอที่จะดูแลรักษาร่างกายเช่นอาบน้าอาบท่าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร แต่ไม่มีสติที่จะเดินใจให้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องเพราะใจมันไปกับเรื่องราวต่างๆไปกับธุรกิจการงานต่างๆตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านดังนั้นถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเราก็ต้องเลิกทำงานการจะเลิกทำงานได้เราก็ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษ คือขอให้มีพอมีพอกินก็พอถ้าอย่างนี้เราก็จะเริกทำงานได้ถ้าเราทำงานแล้วเราเก็บเงินไว้ได้ก้อนหนึ่งที่เราคิดว่าพอที่จะอยู่ได้ไประยะเวลาหนึ่งเราก็ออกจากงานไปเพื่อที่เราจะได้มาเจาริญสติถ้าเราเจาริญสติได้จนเราได้อุเบกขาแนละ้วพอเงินหมดก็ไม่เป็นไรแล้ว ตอนนี้เราไปอาศัยวัดกินได้แนละ้วะตอนนี้เรายัางไปไม่ได้เพราะเรายัางอยังไม่มีอุบเบกขาพอเรายัางจู้จี้จุกจิกอยู่กับเรื่องอาหารเรื่องการสภาพอยู่ของเราเรายัางไม่ยอมไปเป็นคนล้างถ้วยล้างชามยังไม่ยอมไปเป็นแฉวกันถ้าไปอยู่วัด น, นี่ต้องยอมเป็นแฉวกแล้วอยู่ได้กินตามมีตามเกิด กินข้าวก้นบาทก็ได้มีอะไรเหลือก็กินมันถ้ามีอุเบขาแล้วก็ไปอยู่วัดได้อยู่แบบนักบวชได้ตอนนั้นเราก็จะได้เจริญสติต่อเจริญปัญญาต่อบำเพ็ญต่อเพื่อที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ ่ังนั้นถ้าเราอยากจะมีเวลาจเจริญสติอย่างเต็มที่ตอนนี้เราควรจะวางแผนหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายของปัจจัยสี่พอเราคิดว่าพอใช้มีใช้ได้ระยะหนึ่งสองสามปีนี้ก็เหลือเฟือแล้วพราพระเจ้าบอกไม่เกินเจ็ดปีเท่านั้นเองก็บรรลุได้แล้วถ้าขยันต่อเ น, นื่องเจ็ดวันก็ได้ งั้นไม่ต้องไปกังวลสะสมเรื่องเงินทองไว้มากจนเกินไปแล้วแล้วถ้าเราใช้ประหยัดประหยัดกินวันละมือ้อนี่มันจะซักกี่ตังค์กันเสื้อผ้าก็แค่สามชุดก็พอชุดหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อชุดที่ซักมันไม่แห้งก็จะได้มีชุดอีชุดมาเปลี่ยนมีสามชุดนี่ก็พอแล้วสาหรับเครื่องนุ่งหมที่อยู่อาศัยก็ไปหาที่ ไม่มีใครมาวุ่นวายอยู่คนเดียวไปเช่าห้องพักก็ได้ขอพักก็ได้หรือไปอยู่วัดที่ไหนได้ก็ไปไปขอวัดอยู่ก็ได้แล้วก็ไปเจริญสติถ้าเราไม่มีการงานที่จะต้องคิดจะต้องทำนี้เราก็จะสามารถควบคุมบังคับความคิดของเราให้อยู่กับ สติได้ให้อยู่กับพุโทโธได้ให้อยู่กับร่างกายได้พอมีสติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วพอมานั่งสมาธิก็สงบง่ายห้านาทีสิบนาทีใจก็นิ่งแล้วพอใจนิ่งใจสงบก็มีอุเบกขามีความสุขมีความอิ่มไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆออกมาก็สู้กับความอยากได้พอพอหมดกําลังก็กลับเข้าไปเติมกําลังใหม่ เราไม่ใช่ทําสมาธิหนเดียวแล้วไม่ทําเลยทําสมาธิแล้วก็ออกมาใช้ปัญญาต่อสู้กับตันหาความอยากพอกําลังหมดสู้ตันหาไม่ได้ชักอยากจะไปนู่นมานี่อยากจะดูนั่นดูนี่ก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่พอจิตสงบก็ไม่อยากจะไปไหนพออยากก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้าใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้อยากไม่ไม่ได้ก็ใช้สมาธิเพราะ หมดกำลังปัญญานี้คอยเตือนว่าอย่าทําตามความอยากเพราะทําแล้วมันจะไม่จบมันจะมีเรื่องอื่นมาให้อยากต่ออยู่เรื่อยถ้าอยากจะจบต้องฝืนความอยากในทุกรูปแบบอย่าทําตามความอยากถ้าสู้ไม่ไหวก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนแสดงว่ากําลังหมดอุเบกขาหมดพอได้อุเบกขากลับมาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจไปเรื่อยๆต่อไป พิจารณาถึงความทุกข์ที่ตามมาจากการไปทําตามความอยากต่างๆต่อไปมันก็จะเลิกความอยากได้มันก็จะถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ตอนต้นก็ถอดถอนของภายนอกทางร่างกายนอกร่างกายไปก่อนก็คือถอดถอนละาบยศสระเสริญถอดถอนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็มาถอดถอนขันห้าถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาถอดถอนความยึดมั่นในความสวยงามของของร่างกายเพื่อจะได้ถอดถอนกามกามอารมณ์ให้ออกไปจากร่างกายจากใจแล้วพอหมดเรื่องของร่างกายก็เข้าไปถอดถอนอัตตาตัวตนที่ยังฝังลึกอยู่ในจิตอีกอีกทีหนึง่ง ตอดถอเอวิชาความหลงที่สร้างความความรู้สึกว่ามีตัวมี ต, มตนอยู่ในจิตที่ออกไปให้หมดนี่คือการปฏิบัติที่ตามที่พูดเจ้าทรงสอนคือสัพเพธรรมานตาไม่มีอะไรเป็นของเงานอกจากใจดวงเดียวใจที่เป็นใหญ่ใจที่เป็นประธานใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ชีวิตของเรารักษาตัวนี้ไว้ตัวเดียววิธีที่จะรักษาตัวนี้ไว้ก็คือต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ปล่อยแล้วใจตัวนี้ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาที่จะต้องพัดภาคจากสิ่งที่เราไปยึดไปติดไปยากนี่คือเนื้อหาสาระของทมคําสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อที่ได้ยกขึ้นมา แสดงคือใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวเราเป็นของเราที่เราจะต้องดูแลรักษาและสัพเพ昙มานาตาคือของทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากใจนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราอย่าไปดูแลรักษาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปตลอด ตายไปแล้วก็กลับมาหามันใหม่กลับมายึดกันใหม่เนี่ยเรากลับมาหาของที่เป็นสัพเพมาน ต, ตานี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วรอบนี้หมดไปเดี๋ยวว่ากลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมายึดมาติดใหม่แล้วก็กลับมาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ใหม่แล้วก็แยกกันไปแล้วก็กลับมาใหม่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะสามารถ ปล่อยวางทุกอย่างได้สัพเพานาตาปล่อยวางสัพเพานาตาได้นักสาใจ ต, ตัวเดียวนี้ไว้ให้ได้ด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญอุเบกขาเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็เจริญปัญญาเอาปัญญามาคอยตือนสอนใจว่าอย่าไปอยากเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นตัวที่มาทาลายใจ ทำให้ใจของเราไม่มีความสุขทำให้ใจเราหิวเราอยากทั้งๆ ท, ที่ใจเราไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องมีอะไรแต่มันความอยากมันจะทำให้รู้สึกว่าเราขาดอะไรเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เวลาได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ใจอิ่มแต่อย่างใดสิ่งที่จะทำให้ใจอิ่มก็คือสติสตินี้จะทาให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิเข้าสู่อุเบกขา พอได้อุเบกขาแล้วก็จะได้ความอิ่มความพอดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้มากทำจิตให้รวมให้ได้ภายในห้านาทีสิบนาทีถ้ารวมได้แล้วทีนี้ก็จะมีเครื่องมือมียาชามียาสลบที่จะช่วยในการถอดถอนสิ่งต่างๆที่เราลักสิ่ง ต่างๆที่เราหลงว่าคิดว่าเป็นตัวเราของเราได้ถ้าเราไม่มีอุบเบกขานี่เราจะไม่กล้าไม่กล้าถอดถอนไม่กล้าละไม่กล้าปล่อยสิ่งต่างๆการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปุริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตกินังเฟตานังอุปก an ัรปติอิชิตังป um ัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสพเภปุเรนตุสามกปาจันโทปนาระโสยะถามะนิโชติ ราโสยะาสพิติโยวิวาชันตุสัพโรโควินสตุมาเตภวะทวันตาราโยสุกิทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิธะนิจังวุธาปจายโนจตารโธัมมาวะทานติอายุวันโอสุขังภลาง มีใครอยากจะถามอะไรัหมหรือมีใครจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังก็ได้ไเพื่อจะได้ไให้กำลังใจกันว่าธรรมะของพระเจ้านี้เป็นของจริงจันทิตโกปฏิบัติแล้วมีผล ไม่มีใครเอาใบาประกาศมาโชว์ต้องไงาตอนนี้ได้อนุปริญญาแล้วได้ปริญญาตรีแล้วจะมีปัญหามาถามเชิญเข้ามาใกล้ๆเลยจะได้ฟังคำถามได้ชัดหน่อยสัตัวคือโยมพญาเสียไปเมื่อวันที่สิบห้ากุ่งพาที่ผ่านมาแล้วก่อนเสียก็รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยบาลจุลาอยู่เันประมาณ29วันเป็นมะ เ, นนเร็งในเลือดขาเออวันที่จากไปเนี่ยทั้งตัวโยมเองกับตัวผมเองก็ไม่ทราบไม่ทราบว่ามันถึงเวลาสุดท้ายพอฟังจากคุณหมอก็คุยกันเหมือนกับว่าวันพรงจะกลับบ้านได้แล้วอื mm hmm. กลับไันี่ก็คือว่าลองไม่รักษาทางด้านนี้แลรู้สึกสารกินมันเยอะอื mm hmm. สิ่งที่เจอวันนั้นก็ถือว่าเช้าเช้าวัาววนเสาร์เราไคุยกับหมอพาวันอาทิตย์จะกลับพอประมาสักบ่ายสองเนี่ยอยู่ๆก็อยู่ๆก็เหมือนกับนิ่งแล้วก็ส่บไปไปทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันเร็วจนเราทำใจไม่ได้นี่นั่นส่งเราก็ไม่รู้ว่า เจตัวรู้ตัวไหมว่ามันคือบาะสุขการปล่อยวางในกางการเนี่ยตามการที่เขาริ่มเรียนมาเนี่ยเขาได้มาใช้น้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายก็อยากจะทราบว่าหยงจิตเขาพิสูจตร ง, งไหนอย่างไรกันนะคือถ้าเขาฝึกฝนมาเขาก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้จะอยู่ใกล้หรือไกลอย่างไร ้เขาก็จะพร้อมที่จะปล่อยร่างกายได้ตลอดเวลาอันนี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมใจของเขาว่าเขาได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าเขาปล่อยร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายถ้าจิตเขาไปเขาก็ต้องไปสู่อริยภูมนะิถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นว่าการยึดติด การอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปไม่จากเราไปเป็นความทุกข์เขาก็จะปล่อยความอยากถ้าเขาปล่อยความอยากนี้เขาก็จะไม่ทุกข์กับการจากของร่างกายไปถ้าตายแบบนี้ก็เรียกว่าตายแบบพระอริยเป็นพระโสดามันไปก่อนไปเขาบอกกับผมว่าต้องไปว่าอ่านี่เก็เข<ช>้าใจ ผมบอกว่าดีปล่อยวางดิเขาบอกผมอะไม่เข really ้าใจหรอกปล่อยวางของเขาเขาบอกผมไม่เหมือนกันผมก็งงงไม่เหมือนกันยังานปล่อยวางซีดีเขาบอกเขาบอกผมไม่เข้าใจก็สิ่งแรกที่ปล่อยวางคือเขาต้องปล่อยวางจากตัวผมก่อนก็เลยยิ่งงงเหี่กับภาษาตัวซีไม่เข้าใจความหมายก็คือเขาเขาเขาไม่ยึดติดในตัวคุณแล้วเขาก็ไม่ยึดติดในตัวของเขา เขาพร้อมที่จะให้ร่างกายของเขาจากไปได้ทุกเวลานาทีเพาเขาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครมายับยั้งมาห้ามมันได้ถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ก็จะตายอย่างสบายไม่ว่าจะก่อนตายหรือกำลังตายหรือหลังตาย ใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจเห็นด้วยปัญญาว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางเท่านั้นปล่อยวางที่แท้จริงต้องเป็นอุเบกขาคือต้องได้สมาธิเชาวนั้นก็ให้พี่สาวเนี่ยสั่นขนงขึ้นซอมตาอะไยมาเ็าบอกพี่สาวว่าช่วยหน่อย ก็จะขอทำทานในกางสุดท้ายในชีวิตคุณมีมานี่ก็แจกฟุกขยาบาก็ขอทำทานก็ดีก็ดีูฟังดูไหมครับเขาจะรู้ฟังดูก็เขาก็มีมีมีกำลังจิตดีมีมีปัญญามีสติมีสมาธิเขาบอกผมม่เห็นที่ตรงประตูห้องไหมมีวิญญาณอยู่ผมบอผมไม่เห็นพ็ไม่เห็นแล้วไม่เห็น ก็ป ร, ประยัดนะครัพอพี่สาวมาให้ข่ายรูปให้เสมพี่เข ก, ก็ถ่ายให้เขอยังไม่ชืนะ่อเลนขอดูหน่อยว่าถ่ายจริงมัง้ย ก, ก็เอามาดูพวกเราก็ไม่เห็นอะไรเราก็ประหยัดนะครับเราก็เราเริ่มเสียใจว่าเราเห็นอะไรแต่ก็ไม่กล้าไปสั่งสยอยั น, นคือใจของคนเราเนี่ยมีถ้ามีพลังจิตก็จะเห็นสามารถเห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าร่างกายได้สิ่งที่ละเ ก็คือกายทิพย์ต่างๆกายทิพย์เราก็ให้ชื่อต่างๆชื่อว่าวิญญาณบั่งเทพบ้างเปรตบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นี่การเห็นมันก็จะเห็นได้สองลักษณะเห็นแบบเห็นจริงกับเห็นแบบเห็นปลอมเห็นปลอมก็คือเป็นการวาดภาพของใจขึ้นมาเองกับการเห็นจริงทีนี้จะเห็นปลอมหรือเห็นจริงนี่ก็แล้วแต่คนเห็น ฉะนั้นก็คือให้ปล่อยผ่านางที่อาจารย์แนะนำะะเข้าไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปเรามีหน้าที่ถ้าเราอยากจะสนับสนุนเขาเผื่อเขาอยู่ในฐานะที่ตกยากลําบากล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้เขาอเป็นสิ่งที่คนเป็นทําให้ได้กับคนตายแต่ถ้าคนตายไปเขาไปแบบเศรษฐีเขาก็จะอนุโมทนาอบุญที่เราอุทิศให้เขาแต่มันก็จะเป็นประโยชน์กับเรา เพราะว่าเราจะได้ทำบุญปกติเราอาจจะไม่ทำบุญแต่พอเราคิดถึงเขารักเขาห่วงเขาเราก็ทำเราก็จะได้ทำบุญนั้นประโยชน์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นของเราเสียมากกว่าโดยอาศัยการความรักความห่วงใยต่อคนที่เรารักที่เขาจากเราไปเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ทำบุญอาจารจะครัมีวิธีสัมผัส ก, กับดวงวิญญาณไหมครับก็ต้องฝึกนั่งสมาธินี้ ถ้านั่งสมาธิแล้วก็ใจก็จะมีพลังที่จะสามารถรับรู้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่นั่งสมาธิจะจะได้ความสามารถพิเศษอันนี้บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะได้มากกว่าก็คือเราได้อุบเบกขาได้ความสงบที่มีคุณค่าก่อความรู้สึกของเราเพราะจะทำให้ใจเราอิ่มเราสุขเราสบาย ส่วนเราจะเห็นดวงวิญญาณเห็นเทวดาเห็นเปรตหรือไม่นี้ก็ไม่สำคัญแต่บางคนก็เห็นได้บางคนก็ไม่เห็นเพราะความสามารถของแต่ละคนมันไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เราได้กันทุกคนก็คือความอิ่มใจสุขใจความสบายใจความปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จะได้จากการฝึกสมาธิส่วนการที่จะเห็นดวงวิญญาณเห็นกายทิพย์หรือไม่นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นพอให้เราคิดว่าก็เป็นการมาพบกันชั่วคราวก็แล้วกันทวกเรานี้เหมือนกับคนที่มาขึ้นรถไฟกันมามาเจอกันที่สถานี บางคนก็ต่างรอลถของของตนพอถึงเวลาลดของตนออกเราก็ขึ้นลถของเราไปคนที่อยู่บนถานีเขาก็เดี๋ยวเขาก็รอขึ้นลถของเขาไปเนี่ถ้ า, ามองอย่างนี้เราก็จะได้ไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นของเราเขาอะไรเป็นส่วนหนึ่งของเราของชีวิตเแบบนี้เวลาเขาจากเราไปเราก็จะรู้สึกว่าเราสูญเสียอะไรไปมาก การทับลักกระซาได้อย่างไรว่าคนคนนั้นเนี่ยหมดอายุไขัยแล้วออหมายถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยถึงว่าอย่างแช่นปัญญาที่เสียไปนี่คือหมดอายุไขัแล้วหรือเปล่าร่างกายก็หมดแต่ใจเขาไม่หมดไงใจของทุกทุกคนไม่มีวันหมดเป็นของที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดจึงกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเขาได้บรรลุเป็นขั้นโสดาบันเขาจะ เขาก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะเขาก็จะเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาก็จะปฏิบัติเพื่อละความอยากต่างๆที่ทําให้เขาต้องกลับมาเกิดนี้ได้หมดแล้วเขาก็จะไม่กลับมาเกิดไม่เกินไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแต่การไม่กลับมาเกิดก็ไม่แหลมมาความว่าเขาหายไปไหนเขาก็ยังมีอยู่เหมือนกับเราไม่ได้ไป หาเพื่อนที่สมโมสรมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราอยู่บ้านเราขี้เกียจไปเพราะยังไงนะอยู่บ้านสบายกว่าอแต่เราจะทราบไดอย่างไรคับว่ออาการทําบุญแล้วก็จะได้รับหรือว่าได้โมทนาบุญในส่วนทีรทำถึงไม่ถึงะครับก็บางทีเรานอนหลับก็อาจจะเข้ามาในฝันเราก็ได้ถ้าเราไม่มีพลังจิต ท, ที่จะรับรู้ผ่านทางสมาธิเราก็ต้องรับรู้ผ่านทางเวลาที่เรานอนหลับฝันไป แต่การฝันมันก็ไม่แน่อาจจะเป็นเราคิดไปเองก็ได้หรือเข้ามาหาเราก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเข้ามาหาเราก็เราต้องคุยกับเขาได้ถามสารทุกขถามสารทุกขสุขเด็ดได้หรือให้เขาบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้แต่เขารู้แล้วเขาให้เราไปไปหาสิ่งนั้นว่าเขาเก็บของชิ้นนี้ไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไป ทำตามที่เขาบอกแล้วก็ได้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ออย่างนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเขามามาจริงไม่ใช่เป็นความคิดของเราเองแต่จะมาไม่มาก็อย่าเป็นกังวลเลยเพราะว่าให้เราคิดว่าเขาเป็นอดีตไปแล้วเราต้องอยู่ในปัจจุบันอดีตก็เป็นเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้เรานอนหลับฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราเตื่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้ว เราก็ต้องอยู่ในปัจจุบันดำเนินชีวิตของเราต่อไปเราควรจะเอาการจากของเขามาเป็นบทเรียนสอนเราดีกว่าว่าต่อไปเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันแล้วเราจะจากแบบสบายหรือจากแบบจากแบบไม่สบายก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางร่างกายของเรานี้ได้หรือเปล่าเรามองเห็นหรือเปล่าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายนี้ เราเป็นใจเป็นดวงวิญญาณที่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแต่นั้นถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจรู้ว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะจากร่างกายไปอย่างสบายเวลาอยู่แล้วก็อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลว่ามันจะไปเมื่อไหร่เพราะรู้ว่ามันต้องไปแน่ๆ และพร้อมที่จะให้มันไปเสมออันนี้แหละคือหน้าที่ของเราที่เราควรจะทำดีกว่าที่จะมานั่งคิดถึงเขาว่าเขาไปถึงไหนแล้วเขาเป็นอย่างไรมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเราควรจะเอาการจากของเขาไปนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจว่าเราก็ต้องไปเหมือนเขาและถ้าเราอยากจะไปดีอยู่ดีไปสบายอยู่สบายเราก็ต้องไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายอันนี้ เราก็ต้องฝึกทําใจให้มีอุเบกขาถ้าใจเรามีอุเบกขาเราก็จะปล่อยวางร่างกายนี้ได้ตอนนี้เรารู้ว่าเราต้องปล่อยแต่เราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังงั้นเราต้องเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้ามีสมาธิแล้วเราก็จะได้อุเบกขาเพราะได้อุเบกขาเรามามองดูร่างกายว่าไม่เที่ยงเราก็จะรับได้ เรามองว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะรับได้เราก็จะไม่วิตกกังวลอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสาคัญมากกว่ามาคิดถึงว่าตอนนี้เขาไปไหนเป็นอะไรอย่างไรถ้าเขาเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวเขาเข้ามาหาเราเองเดี๋ยวนอนหลับก็เข้ามาหาเราเองถ้าเขาต้องการเลยแต่ถ้าที่ฟังดูก็คงไม่มาแล้วนะเขาสบายแล้วถ้าเขามาก็อาจจะมา มาเตือนเราก็ได้มาบอกพี่รีบปฏิบัตินะเดี๋ยวพี่ก็ต้องตามหนูไปนะ อ, อย่าประมาทเีไม่เงียบ่ไม่เป็นไรนไม่เวลาเดี๋ยวถึงเวลาเข้ามาเองีคถามั้งอีกะบอะไรเชิญอ่าออดีเดี๋ยวขอตอบปัญหาเนี่ย ถามปัญหาคืออาจารย์บอกว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขามาขอมาขอบุญเวลาที่เราทําบุญเป็นเหมอนอิสระใช่ไครัอาจารย์คือมันเป็นความมันเป็นความหิวทางใจของเขาใะแล้วถ้าเกิดว่าเราทาบุญเนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเมตตาที่เราแผดไปให้หรือว่าบุญที่เราทำแล้วมันเป็นเหมือนทําให้ทําให้กําลังที่เราส่งพลังขึ้น ก็เรียกว่าบุญนี้เป็ น, เ, ปนเหมือนอาหารทิพก็แล้วกันพอเราส่งบุญนี้ไปให้เขาเขาก็จะได้เพราะเขากินอาหารหยาบอย่างเราไม่ได้อย่างที่เราไปไหว้กราบไหว้คนที่ป่าช้าเนี่ยคนคนอยู่ในป่าช้าไม่ได้อะไรเพราะว่าเราเอาอาหารหยาบคือพวกอาหารซึ่งคนตายกินไม่ได้คนตายนี่กินได้แต่อาหารทิพย์อาหารทิพย์ก็ต้องเป็นบุญ เือแทนที่จะเอาของที่เราไปเส้นไปไหว้ศพนี่เราควรจะเอาไปใส่บาตรเสิแล้วเอากระดาษเขียนรายการมาปะไว้ที่หลุมศพจังจะดีกว่าอจริงๆเขาจะได้บุญไงเขาจะได้บุญ อย่างนี้เขาไม่ได้บุญเ ร, เราได้เราได้กินเราอยากจะกินอะไรแล้วก็ไปซื้อมาเส้นเขาเราถึงเวลาเราก็อไปกินกันนี่มันใครจะได้เลยไม่มีใครได้อะไรบุญมันเกิดจากการเสียสละเราจะได้ความส่งความรู้สึกที่ดีความอิ่มใจไปให้เขาเวลาเราทำบุญแล้วเรามีความอิ่มใจเวล า, าอุทิศนี้เราก็อุทิศความอิ่มใจ ซึ่งเป็นอาหารที่ให้กับเขาพอเขาเห็นเราอิ่มใจเขาก็จะอิ่มใจตามเราได้ น, นันเอเหมือนก็รส่งเครื่องปรับระกาศไปให้เขาอย่างเงี้ยพอเปิดเครื่องปรับระกาศเขาก็เย็นสบายตอนนี้ใจเขาร้อนก็หิวพอไม่มีบุญพอได้บุญแล้วก็เย็นสบายนั่นถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราไปเหมือนทําบุญใส่บาตรแล้วเราอุทิศให้หรือว่า เรานั่งเอภาวนาว่าหลังจากนั้นเราแผ่เมตตาให้เขาก็จะได้รับเหมือนกัน ไ, ได้ได้ได้เหมือนกันเป็นบุญก็เหมือนกันอาหารทิพย์ อ, จ า, อาจารย์ที่แจ้งอกให้วางอุเบกขาแล้วถ้ามัน อ, อ่อนกำลังให้ทําสมาธิอืมสมาธินี้ต้องถึงขั้นไหนต้องพิจารณาอย่างไรนียฮะเพื่อทําให้ใจมันอุเบกขาได้ก็อย่างที่บอกว่าต้องใช้กรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันใช้ พุทานุสติก็พุโทโธพุธโทโธไปใช้อนาปนานสติก็ดูลมหายใจไปคือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะรวม น, นิ่งสงบได้พอเนิ่งสงบก็จะเป็นอุเบกขาแต่พอออกมาจากสมาธิมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้พอเราออกมาไว้ทิ้งไว้ข้างนอกสักระยะหนึ่งมันก็จะความเย็นก็จะหายไปเราก็ต้องเอากลับเข้าไปในตู้เย็นใหม่ เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลาออกมาแล้วก็ใช้จิตที่เย็นนี้มาเอาปัญญามาสอนเพราเวลาจิตเย็นนี้จะเชื่อฝั่งไม่มีกิเลสมาคอยต่อต้านว่าอย่าไปอยากนะอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเชื่อแต่พอความเย็นหายไปพอบอกให้อย่าไปอยากมันเริ่มไม่เชื่อแล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ <c oughs> มาถามม <c oughs> อ่า อ้าได้อ้อได้ก็มีหนังสือเข้ามารับได้นะถ้าต้องการหนังสือตอนนี้หลวงพ่อท่านย้ายที่พักแลนะ้วนะแต่โยมม่ข้าวูที่เดิมจะเย็นกอนนี้ร้อนหน่อยแต่อยู่ที่ใจนะฮะอาจารย์อาจารย์ครับพูดถึงข้ออุป่กขาครับถ้าหากเราตั้งใจที่จะอดอาหารนะครับแต่ว่า ถ้ามันเกิดผิวเนี่ยเรา ว, งวางอุ่นเลขาแต่ในขณะที่ร่างกายเนี่ยถ้าอยู่มากจะเกิดโรคคอขึ้นมาสีชั้นเอ็จกินแต่น้ําเนี่ยจะเกิดมิเออจะทำยังไงครับอาจารย์ไม่เป็นหรอกครูบาอาจารย์ควาปฏิบัติเขาอด ก, กันมากันเยอะแยะแล้ว <laughs> <laughs> ถ้าเป็นก็เป็นกันไปหมดแล้วสแสดงว่ากินแต่น้ำก็อยู่ได้ใช่ไหมอย่างคนเนี้มีสเสบียงพอสะสมไว้มี <laughs> <laughs> ส บ, บายนี่สบาย ผมเวลาผมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงหน้าเลยแต่พอยิ่งยงแม่มาตลอดจะแฝงอ่อก็ดีจะได้ไม่ประมาทแต่คือสิ่งที่เ่อนมาบอกนี่มันเกิดขึ้นแล้วอ๋อเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไปที่มีปัญหาอะไรก็แก้ไปอย่าไปทำบาปอย่าไปสร้างปัญหาขึ้นมาอ่าพยายามหยุดความอยากแล้วมันก็จะไม่มีคดีความคดีความมันก็เกิดจากความอยากของเราเนี่ยแหละ นะั้นพยายามตัดความอยากแล้วพยายามรักษาศีลไว้ให้ได้ปัญหาต่างๆมันก็จะไม่มีครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook และแฟ p a g e พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามแรกนะครับจากคุณวิลาลัยนะครับอัปปนาสมาธิกับอุปจารสมาธิสมาธิอันไหนเป็นการสูญเสียพลังจิต นั่งนิ่งสงบไม่รับรู้โลกภายนอกเป็นสมาธิแบบไหนควรทำต่อไหมอัพนาสมาธิก็เป็นความสงบที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ตั้งอยู่เป็นอุเบกขาสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่จะมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหา ส่วนอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆอันนี้ก็เป็นเหมือนนั่งดูภาพยนตร์เวลานั่งดูภาพยนตร์ก็เหมือนกับไม่ได้พักผ่อนดูจบแล้วร่างกายก็อ่อนเพลี ย, ย จ, จิตใจก็อ่อนเพลียไม่เหมือนกับเวลานอนหลับสนิทแล้วไม่ฝันอัปนานี่เหมือนกับเวลาพักผ่อนหลับนอนสนิทไม่ไม่ขวันอะไรพอตื่นมาก็จะสดชื่นเบิกบานมีกําลังวังชา แต่ถ้าไม่หลับนอนเปิดทีวีดูทั้งคืนตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะไปทำงานก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงกรูบาจารย์ท่านถึงห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับอุปจารสมาธิถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่วิปัสนาเพราะมันจะทำให้เป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะไปเจริญปัญญาวิปัสนาต่อสู้กับตัญหาความอยากต่างๆได้ ในเบื้องต้นถึงแม้ว่าจะเป็นจดิตของเราที่จะออกรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็ต้องเบรกมันไว้ก่อนเวลามันจะออกไปรับรู้เราก็ดึงมันกลับเข้ามาหาอุเบกขาให้ได้กลับมาห า, าสมาธิที่สงบที่ว่างให้ได้ด้วยการใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้ถ้ามันไม่มีพุทโธหรือไม่มีลมแต่มีสติที่จะดึงให้กลับมาหาความว่างได้ก็ใช้สติดึงกลับมา หนึ่งกลับเข้ามาหาศักดิ์แต่ว่ารู้อยากไปตามรู้อยากไปสนใจเพราะไปตามรู้ไปสนใจแล้วมันก็จะเพลินเพลินดูไปเหมือนกับดูภาพยนตร์ดูละครพอออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิไม่มีอุเบกขาเลยพอจะมาพิจารณาปัญญาเพื่อตัดความอยากก็ตัดไม่ได้ คำถามข้อต่อไปจากพระธนโชตนะครับเวลาพิจารณาอสุภะไปนานๆมันเห็นความไม่เที่ยงแท้เกิดดับแต่บ้างทีก็เห็นเป็นของงามแล้วหลงไปกับสิ่งนั้นมีวิธีมีวิธีแก้ไหมก็แสดงว่าไม่ได้พิจารณาสุภะถ้าไปเห็นว่าเห็นเป็นของงามมันก็เรียกว่าพิจารณาสุภะไปแล้วถ้าพิจารณาสุภะมันก็ต้องมองเข้าไปภายใน ภายใต้ผิวหนังดูโครงกระดูกอย่างนี้ดูอวัยวะต่างๆอย่างนี้หรือดูของที่สศกรปรกที่เป็นปฏิกูลเช่นอุจจาระปัสสาวะน้าเลือดน้าหนองน้าเหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เห็นของที่ไม่สวยไม่งามถึงจะเรียกว่าเจริญสุภาถ้าไปพิจารณาแล้วเห็นว่าสวยว่างามอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเจริญสุภาเรียกว่าเป็นการ จเจริญสุภะไปสาเหตุที่จเจริญไม่ได้ก็เพราะว่าใจไม่มีอุเบกขานี่เองไม่มีสมาธิไม่สามารถควบคุมตันหาความอยากที่อยากจะคิดไปในในทางสวยๆงามๆแต่ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วเราก็สั่งให้มันพิจารณาสุภะได้เนี่ยถึงบอกว่าสมาธิเป็นฐานของปัญญาเวลาไม่มีสมาธิแล้ว ปิเลตมันจะมีพลังมีกําลังมากมันก็จะชอบไปคิดตามความอยากของมันมันก็จะชอบคิดถึงของสวยๆงามๆต่างๆมันก็เลยไม่สามารถพิจารณาของไม่สวยไม่งามได้ดังนั้นถ้าเรายังพิจารณาสุภาไม่ได้พิจารณาทีไรเป็นสุภาทุกทีก็ต้องกลับมาเจริญสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนควบคุมความคิดอยายให้มันคิดปรุงแต่ง แล้วก็ไปนั่งสมาธิจนกว่ามันจะรวมเป็นอัปปนาได้พอรวมเป็นอัปปนาแล้วเทนี้ออกมาจากอัปปนานี้เราก็จะสามารถพิจารณาอาสุภะได้ถ้าพิจารณาแล้วหมดกำลังเราก็กลับไปเข้าไปในสมาธิใหม่อันนี้ลหละคือวิธีที่ถูกต้องอย่าไปข้ามขั้นสมาธิชอบข้ามขั้นกัน คือบางคนอาจจะข้ามได้แบบว่าถ้ามีปัญญากำลังพอที่จะพิจารณาสุภาได้แล้วก็ทำให้ใจสงบได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าพิจารณาสุภาแล้วกลายเป็นสุภาไปนี่ก็สแสดงว่ามันไม่ใช่ละทําไม่ได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้เมื่อเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้เราก็ต้องใช้สติอบรมไปใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก่อน เนี่ยมีสองวิธีวิธีที่จะทําทใจให้สงบวิธีแรกก็เรียกเอาใช้สติ <Yeah. S 1> พุทธานุสติธรรมานุสติไปวิธีที่สองก็คือใช้ใช้ปัญญาก็พิจารณาสุภะไปถ้าพิจารณาสุภะได้ทําใจให้สงบได้ก็เรียกว่าปัญญาลมสมาธิถ้าพิจารณาแล้วไม่สงบกลับฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดการมลลมขึ้นมาเพราะแทนที่จะเห็นสุภาษะกลับไปเห็นสุภาษะแทน แตาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาอบมสมาธิก็ต้องกลับมาเจริญสติเพื่อให้ได้อุเบกขาก่อนแล้วถึงจะสามารถเจริญอสุภะได้คำถามข้อต่อไปจากคุณหลินหุยหมิงนะครับอยากทราบว่าทำไมเราสวดมนต์ภาวนาทางธรรมยุทธ์ต้องสวดแล้วแปรด้วย อันนี้ก็แล้วแต่วัดเนี่ยจะสวดแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้แล้วแต่คำถามข้อต่อไปจากคุณ้าเช็ดเท้านะครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายมักหยาบข้ามมักละเอียด อ, อ๋อมักก็มีเป็นขั้นๆไงทานศีลภาวนาทานก็ถือว่าเป็นมักขั้นต้นเป็นมักขั้นหยาบ ภาวนานี้ก็เป็นมรรคขั้นสูงทานกับภาวนานี้มันจะขัดกันคือถ้าเราเข้าสู่ขั้นมรรคขั้นสูงเข้าสู่การภาวานาแล้วแล้วเราไปทําทานนี้มันก็เป็นการเอามรรคขั้นหยาบมาทําลายมรรคขั้นละเอียดถ้าเราเข้าสู่ขั้นภาวานาแล้วเราก็ไม่ต้อง ท, ทาาอําทานถ้าจะทําก็ต้องทําแบบไม่มาทําลายการภาวานา เรายังทำได้สมัยนี้เรากดเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่ก็โอนเงินได้แล้วอยากจะทำเท่าไหร่ก็ทาได้แต่ไม่ต้องให้ออกไปข้างนอกไปพบกับรูปเสียงกิ่นลดไปวุ่นวายกับเรื่องนู่นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เป็นการทำทานเป็นเป็นมรรคที่อยากมาทาลายมรรคที่ละเอียดเหมือนกับช่างไม้ที่เขาใช้กบกับใช้ใช้กระดาษทราย ถ้าอยู่ถึงขั้นกระดาษทรายแล้วก็อย่าไปเอากบไปไ ป, ไปไปใสไม้มันก็มันก็จะเสียมันก็จะหยาบถ้าลงลงกระดาษทรายแล้วก็ถือว่าใกล้จะจบแล้วงานแต่ไม่ได้ห้ามให้ทำทานเพียงแต่ต้องต้องรู้จักทำเท่านั้นเองทําโดยที่ไม่มาทําลายความหยาบคือทำแบบให้คนอื่นไปทําก็ได้เช่นเราฝากเงินเข้าไปแค่นี้แล้วก็จบละ เราก็ภาวนาต่อได้ไม่ใช่เราออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไปกับเขาไปงานผ้าป่างานกระถินอะไรถ้าอย่างนี้เป็นเรียกว่ามักหยาบทำลายมักละเอียดคำถามข้อต่อไปจากคุณน้ำค้างใบบวัวนะครับพิจารณาขันห้เราจะเริ่มจากตรงไหนที่ง่ายและเข้าใจในระดับหนึ่งนอกเหนือจากแยกธาตุ ก็พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากการธรรมดาแค่นี้แหละเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาจนไม่ลืมคือต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างพุทธเจ้าสอนพระอานนุ์ให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมันเป็นความเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกนึกคิดของเรา ทุกครั้งที่เราจะทําอะไรเราจะต้องคิดว่าไว้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะพอเราคิดอย่างนี้แนละ้วมันก็จะเบรกความอยากของเราได้ว่าจะทําไปถึงไหนกันจะรวยไปถึงไหนกันพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายได้มันก็จะเบรกได้แต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันนี้เวลามีอะไรยื่นเข้ามาเสนอมาให้เราทําจะได้เงินได้ทองมันก็เลยกระโดดรับเลยมันจะไม่ไปคิดว่าทําไปทําไม แต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตลอดเวลาเนี้ยอะไรจะยื่นเสนอมาเนี่มันยากที่จะหลอกเราได้นี่คือขั้นต้นพยายามเราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบนี่ต้องเกิดขึ้นเสมออันนี้เป็นเบื้องต้นถ้าเราพิจารณาได้แล้วขั้นต่อไปเราก็มาแยกอวัยอวัยวะออกสามสิบสามสามสิบสองส่วน ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นการประกอบขึ้นของอวัยวะทั้งสามสิบสองส่วนนี้หามีตัวมีตนไหมอันนี้ก็เรียกว่าแยกอวัยวะให้ผูใ้ใจทาลายความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราและการต่อไปก็ให้มันสลายกายเป็นธาตุไปเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสีมันก็จะแยกทางกันนะธาตุไฟก็จะออกไป คนตายไปจับดูในะร่างกายไม่เหมือนกับคนเป็นร่างกายคนเป็นจะอุ่นแต่ร่างกายคนตายนี่จะเย็นนี่ก็แสดงว่าธาตุไฟไปแล้วอกินก็ระเหยออกมานี่ก็ธาตุลมระเหยออกมาน้ำก็ไหลออกมาถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าต่อไปมันก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาแยกธาตุให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ แล้วก็ให้เห็นอสุภะด้วยอสุภะก็คือเวลาเราแยกอาการสาสบสองนี้เราก็ทำได้ทั้งสองอย่างดูว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วก็ดูว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนหรือจะดูตอนที่คนตายไปก็ได้เวลาตายแล้วสวยงามไหมเวลาตายแล้วเราจะอยากไปนอนกับเขาไหมคนที่เป็นแฟนเรานอ น, น, อนกับเขาได้ทุกคืนพอวันนี้เขาตายนี่ขอเก็บศพไว้รักษาวันไหม เดี๋ยวไม่เอารีบยกให้ป่าช้าให้สับปปเล่าเลยเมื่อก่อนลักขวงแทบเป็นแทบตายพอไม่หายใจนี่สับเปล่านียน่ยกให้เลย <c oughs> เราต้องเห็นตอนนั้นเห็นเห็นตอนนั้นก่อนที่เขาจะตายเราจะได้ไม่มีการมาลมกับเขาพอเราไม่มีการมาลมแล้วเขาจะไปอยู่กับใครเราก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรายังมีการมาลมอยู่เรายัางต้องการเขาอยู่ต้องการเสพการมาลมกับเขา พอเขาไปนอนกับคนอื่นเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นซากศพเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆอ่ะอยากจะอยากจะไปนอนกับใครก็ไปเถอะเราไม่อยากจะนอนกับเขาแล้วแต่เรามองไม่เห็นว่าเป็นซากศพกันเรายังมองเข้าว่าเป็นร่างกายที่สวยงามที่น่ารักนี่คือปัญหาของการไม่พิจารณาสุภาพ คำถามข้อต่อไปจากพี่หมอแอนนะครับข้อที่หนึ่งติดสุขทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นต้องแก้ไขยอย่างไรกับกิเลส ต, ตัวนี้ดีก็ต้องถือศีลแปดเนี่ยติดสุขก็คือติดรูปเสียงกิรลดพภตตภะถ้าถือศีลแปดมันก็จะมีข้อบังคับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เช่นศีลข้อสมก็เป็นอพรหมจรรยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครข้อ6ก็คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารแบบเป็นการรับประทานยาถึงเวลาก็รับประทานไปรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็ละเว้นการหาความสุขจากพวกมหัศรศพเครื่องบรรเทิงต่างๆ แล้วก็ละเว้นการนอนนอนนานจนเกินไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆตามปกติร่างกายนี้พักเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็จะเสียเวลาที่จะเอามาภาวนากันเรียกว่าติดสุขวิธีติดสุขพระเจ้าก็สอนว่าให้ถือถือศีลแปด เรียกว่าเนคขมมะบารมีเนคัมมะก็คือการออกจากความสุขดันั้นคนที่อยากจะออกจากความสุขก็ต้องหัดถือศีลแปด ก, กันถ้าใจจะทอย่างติดสมุทคือนั่งสมาธิแล้วอะนีมีความสุขสมาธิแต่ละลาออกมาแล้วนิดนึงก็จะที่วีแล้วที่โมเมลอ่า ก็เพราะว่าออกมาแล้วไม่ใช่ปัญญาหรือไม่ใช่สติรักษาใจต่อถ้าออกมาแล้วมีสติควบคุมใจพุโทโธพุโทโธต่อไปมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาง่ายหรือว่าถ้าใช้ปัญญาก็ยิ่งจก็จะทำให้อารมณ์ต่างๆนี้หมดไปได้อย่างท้าววอนคือถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีอารมณ์หรือเวลาเราเกิดอารมณ์เพราะว่าเราไม่ได้ดังใจอยาก เราอยากจะให้เขาทำอย่างนั้นทานี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พอเขาไม่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเรามาสอนใจว่าต่อไปนี้เราต้องไม่มีความอยากกับใครทั้งนั้นใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาต่อไปเราก็จะมีอุเบกขาเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ต้องสอนใจว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขไม่ได้ คนอื่นจะพูดอะไรจะทำอะไรเหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองในโลกนี้จะเป็นอย่างไรจะขึ้นจะลงนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาขึ้นแล้วเขาไม่ขึ้นเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ทำใจเป็นอูเบกขาไว้ไว้รับเหตุการณ์ตอบคือนั่งแล้วมันนิ่งแล้วมัมีความสงบแต่พอเวลาเอามาเจอเสียงดังๆมันโ่ ถึงต้องใช้ปัญญาไงก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องสอนว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไปห้ามก็ไม่ได้เราต้องเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่สงบก็ได้มีระยะไปเนี่ยที่วัดนี่ตามป่าตามเขาทาไ ม, ไม่ไปเองไงเจ๊ะไหมเมื่อมันมันหนกคูอันไหนที่เราแก้ได้เราก็แก้ไปที่พูดนี้หมายถึงสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ ที่ไหนที่เราแก้ได้ห้ามได้เราแก้ไปที่ไหนมันวุ่นวายเราก็จะไปอยู่เลแล้วก็ไปหาที่สงบอยู่กันแต่การจะไปอยู่ก็ต้องตัดความอยากเหตุผลที่เราอยู่กับความวุ่นวายเพราะเรายังติดความยังยังมีความอยากกับสิ่งต่างๆอยู่ข้อที่สองแล้วเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ หากเราต้องรับมือกับคุณแม่สามีที่เรียกร้อง attention มากมากเช่นเวลาเจอลูกก็ทำแบบป่วยมากซึมเวลาลูกไปทำงานก็แข็งแรงดีไม่ป่วยในวงเล็บแม่บ้านที่ดูแลบอกมาทำแบบนี้ทุกวันมานานหลายปีทำให้เราคล้ายติดคุบจะไปไหนทีไกลๆไม่ได้ทำให้เราก็เกิดความเบื่อน่ายในการกระทำเช่นนี้ เราควรวางใจเราอย่างไรเจ้าคะและวางใจกับแม่ลักษณะนี้อย่างไรง่ายง่ายนิดเดียวก็รักรักแม่เหมือนรักผัวก็แล้วกันเราเล่าผ <ates waving S 1> <c oughs> ัวแต่เกียดแม่มันก็เป็นอย่างนี้ ก็รักรักรักสามีเหมือนกับรักแม่เพราะแม่กับสามีก็เหมือนคนเดียวกันแล้วแหละใช่ mm hmm. ไ, ไห uh, mm hmm. เวลาเราแต่งงานเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนนะเราไม่ได้แต่งกับสามีคนเดียว mm hmm. เราแต่งกับแม่กับพ่อกับพี่กับน้องทั้งครอบครัว ด, ด้วย mm hmm. เพราะเขาจะต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา uh huh. ถ้าเราไปรักเพียงแต่สามีแล้วเราเกลียดคนอื่น mm hmm. เราก็จะมีความทุกข์ uh huh. แต่ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นอวัยวะอันเดียวกัน เหมนเวลาเราแต่งสามีแล้วก็รักทั้งหน้าทั้งตาทั้งแขนทั้งขาใช่ไหมเราลักทั้งตัวฉันใดเวลาแต่งกับสามีเราก็ต้องรักทั้งครอบครัวของเขาแล้วเราก็จะมีความสุขแัญหาใเกี่ยวกับพระสงฆ์และคนเดียวามระหว่างผู้ชายพระสงฆ์ไม่ต้องใช้ผ้า คือท่านกลัวมันจะใกล้เกินไปบางทีมันจะแตะต้องกันได้เวลาแตะ ต, ต, ต้องนี่การอารมณ์มันจะเกิดขึ้นเร็วกับพระเพราะพร ะ, พระว่านี่เป็นเหมือนคนไม่ได้กินน้ำอยู่ในอยู่ใน <c oughs> ทะเลท <c oughs> รายพอได้ได้แตะน้ำหยดเดียวมันก็จะเกิด า, เ, าในในเพียง<ร> <ๆ S 2> เพียงเพียงป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกันไม่มีอะไร บางที่สีลังกาเนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ผ้าเขาก็รับกับมือได้แต่ทางเมืองไทยเรารู้สึกว่าอยากจะป้องกันพระต้องป้องกันพรหมจรรย์ของพระอีกชั้นหนึ่งก็เลยให้ใช้ผ้ารับของจากสุภาพสตรีเพื่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องการที่จะแตะต้องตัวกันเท่านั้นเองอไม่มีอะไรที่ท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นใช้ผ้าก็ได้ ก็ธรรมเนียมเขาทำมาอย่างงี้เราก็ทำตามเขาไปเท่านั้นเองถ้าเราไปอยู่ศีรษลังกานี่เราก็ไม่ต้องใช้ผ้าเราก็ถวายมือถวายกับมือได้เลยก็ mm hmm. แล้วแต่พุทธศาสนาก็มีความแตกต่างกันบ้างแลตามตามสังคมที่เข้าไปบางสังคมเขาก็ไม่ได้ให้ความสาคัญมาก บางสังคมเขาก็ให้ความสำคัญมากอย่างของเรานี่เขาให้ความสำคัญมากก็ในเมื่อเราเข้ามาในสังคมนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามนกนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหากับใครถ้าโยมไม่ใ ช, ไใช้ไม่ใช้ผ้าเดี๋ยวคนก็เราก็จะโดนเขาว่าอีกอะใช่หไหยื่นให้กับมืออะไรอย่างเงี้เพราะจะมีคนที่กังวาไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง ครับมี อ, อีกคําถามเพิ่งถามมาดสดๆเลยครับจากคุณแซนด้นะครับเมื่อกายกับจิตแยกตัวออกมาแล้วจิตในจิตก็เห็นแล้วแต่ที่สงสัยยังแก้ไม่ได้คือเห็นกายเงาของกายธรรมดาไม่มีเพศกายด้านซ้ายกายด้านขวาระหว่างหน้าอกเคลื่อนมารวมกันเป็นหนึ่งที่กลางหน้าอกหมายถึงอะไร ไม่รู้เหมือนกันการมันก็มีอันเดียวนะอันนี้มันก็อาจจะเป็นจินตนาการของจิตไปนั่งสมาธิแล้วก็มีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาถึงบอกให้ระวังในเวลาเห็นอะไรเนี่ยอย่าไปอย่าไปหลงกับมันให้พิจารณาว่าเป็นตายลักไปหมดก็แล้วกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ดับมันผ่านไปแล้วก็จบบอกมันว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นอนัตาเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็อย่าไปสงสัยอย่าไปอยากรู้ถ้าอยากรู้แล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาต้องโทรมาถามนี่อ่าว่าไหมคลองรัอเมื่อร็ว มผ่านไปโรงเรียนมีลกคนคนนึงซึ่งแจ้งวอีมนานจะเาตายแน่ๆซึ่งมนาจริงๆก็ต้องตายนี้โยมทธว่เออไม่ว่าเขาไม่เาสุดท้ายก็ต้องตายกันหรืคือประมาณน่าพิเป็นมัรคศึกสงาใช่ไหคนีอยาให้ใจชื่ต่อเยอะตรงนี้คื่ตต่อต่อต้อแล้วก็ตายก็จบแล้วจะไปต่อไหม ให้ให้มาระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราอาจจะตายได้เนี่ยเดี๋ยวออกจากนี่ไปเดินเลื่อนเลื่อนหกล้มหัวฟาดหินตายก็ได้จะได้ไม่ประมาทจะได้มีสติระมัดระวังจะได้ระงรับความโลภความอยากได้เท่านั้นเองให้คิดอยู่เรื่อยๆอยงไงอย่างที่พระเจ้าสอนพระอ น, นุนให้ให้มีความตายนี่อยู่ในความสํานึกของเราตลอดเวลาเราจะได้ไม่ประมาทและเราจะได้ไม่ไม่ไม่โลภไม่อยากได้อะไร เอาไปเจริญต่อพอเห็นคนตายแล้วมาลวเลิอกอยู่เรื่อยๆมาขยายความไปเรื่อยๆอย่างสมัยที่เราเห็นศพข้างล่างนี่ยมันมาคิดเองเลยวนะ่าโอ้ต่อไปพ่อก็ต้องตายแม่ก็ต้องตายปู่ย่าตายายก็ต้องตายเราก็ต้องตายคนนู้นคนนี้ตายหมดเลยมันคิดไปหมดเลยแล้วมันก็เตรียมตัวเตรียมใจเล่ากับเหตุการณ์นั้นได้พอเขาตายก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจพอเห็นหนังตัวอย่างนะนอม แต่พวกเราส่วนใหญ่พเอเห็นหนังตัวอย่างแล้วก็พยายามลืมมันไม่อยากอามาคิดต่อมันก็เลยลืม <c oughs> พอไปเจอหนังจริงเข้าก็ตกใจกลัวขึ้นมาอว่ามาหนูไปเรียนคุสติกวนะค่ะมาค่ะตอนแรกเขาก็ให้ใช้อมาภา น, นัสติค่ะ ก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่จิตมันก็สงบลงระดับหนึ่งอ ะ, ะเขาก็ให้ดูแบบว่าคือดูคิดเจรนาตั้งแต่หัวจรดเท้าะคะ่ะตอนแรกก็ดูผิวหนังในบริเวณกว้างก่อนแล้วก็ในในแต่ละบริเวณนะคะแล้วก็ดูว่า ผมรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างเราก็ดูจังกามันจะดับไปถ้าเราอุเบกขาเพียพอมันก็จะดับไปได้โดยที่เราไม่มีความทุกข์อะคะ่ะแล้วก็คือดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หนูก็ก็ปฏิบัติคือแต่ตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะคะก็คือตอนอย่างตอนนอนเนี่ยคะ่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆพอตื่นเช้าขึ้นมาคือมันจะเป็นอัตโนมัติ เลยอเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยจะเข้ากับที่ท่านรัอาจารย์ว่าืมหนหมายวาว่ า, ท, าท่านอาจารย์หมายถึงว่าดูสมมติว่าดูอวัยวะหรือว่าดูอสุภาหรือว่าดูความไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือมันมีส่วนที่สอล้องแต่หนูนรู้สึกว่าที่เขาสอนนี่เขาแคดูเวทนา ให้ดูความรู้สึกของร่างกายแต่เวทนาที่ค่ายดูนี้เป็นเวทนาแบบจิิบจอยไม่มีความสาระสำคัญตรงไหนทิ้งที่เราต้องดูเวทนาที่สำคัญก็คือเวลามันปวดเช่นเวลาปวดฟันปวดท้องอย่างเงี้ยแล้วเราต้องพิจารณาปล่อยวางมันให้ได้เช่นมันปวดเราสั่งให้มันหายปวดได้หรือเปล่าเมื่อมันไม่ยอมหายปวดถ้าเราอยากให้มันหายปวดเราจะทุกข์มาก แต่ถ้าเรายอมรับว่ามันปวดแล้วทำให้มันหายไม่ได้ก็อยู่กับมันไปพอเราอยู่กับความปวดได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจอันนี้ต่างหากคือการดูทุกเขเวทนาแต่เขาให้ดูแบบลมพัดมาหรืออะไรมาแตะตรงนี้ก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้มันไม่ค่อยมีสาระประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันไม่กระเทือนใจเราให้เราดูเวทนาที่มันสะเทือนใจเราเช่นโดนคนเขาตบได้อย่างเงี้ย <Yeah. S 2> <c oughs> แล้วดูสิว่าใจจะโกรธหรือเปล่าท่านพระเจ้ า, าจหมายถึงก็คือว่าป็จะติก็ให้ทำสมาธิให้จิตสงบแล้วก็พอมีอะไรมากระทบเราค่อยดูว่าเราเนี่ยมีเดือดขาเพียหรอเล่ า, าจะปล่อยวางเขาได้หรือเปล่ า, า, าแล้วก็อย่าง้เราพิจารณาโอากาอว่าอะไรเนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็คือหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทําอะไรอยู่ก็ได้ใช่ไหมได้ได้ตลอดเวลาเราต้องการเห็นความจริงของร่างกายให้ครบถ้วนไงตอนนี้เราเห็นเพียงด้านเดียวเราเห็นด้านนอกเห็นด้านที่สวยงามแต่เรามองไม่เห็นด้านที่ไม่สวยงามเราก็เลยเกิดความหลงรักร่างกายนี้แต่พอเราเห็นด้านที่ไม่สวยงามเราก็จะไม่รักร่างกายนี้เราก็จะเฉยๆกับร่างกายนี้ได้ แล้วก็คิดว่าคีอในท้าเองก็นั่งนั่งสมาธิแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างหน้าอยู่หน้ากระจกแล้วทีนี้ก็ก็มองเข้าไปก็รู้สึกว่าเออมนหนูเพราะว่าหนูไม่ท่าบว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่าแบบเออผิวพรรเราก็ไม่ได้ สวยเป็นนานๆแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามันมีภาพเห็นว่าเออมันนั่นแหละแล้วต้องคิดไปแล้วต้องคิดไปเรื่อยๆถูกแล้วถูกแล้ ว, ลวต้องใช้ความคิดเนี่ยถึงจะเห็นภาพต่อไ ป, อ ค, ไปอคิดไปเรื่อยๆว่ามันต้องเหี่ยวมันต้องโยนมันต้องกลายเป็นซากศพไปคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนี่เป็นขั้นตอนของร่างกายที่มันจะต้องพัฒนาไปี่เพื่อที่ใจเราจะได้ไม่ไปวิตกกังวลกับมัน เพาเราห้ามมันไม่ได้ใจเราจะได้ไม่ทุกข์จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปทําสัญญกรรมตกแต่งเสียเงินเสียทองทําถ้าเป็นท่าตายก็ได้ไม่กี่ปีก็เหี่ยวย่นเหมือนเดิมนเองสู้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติดีกว่าเอาเงินไปทําบุญดีกว่ามีความสุขกว่าปล่อยวางร่างกายไงปล่อยความแก่ปล่อยความเจ็บปล่อยความตาย พิจารณาสาสามอย่างนี้จนเข้าใจว่ามันต้องเกิดขึ้นและไม่มีอะไรที่จะไปยับยั้งห้ามมันได้ถ้าเราฝืนเราต่อสู้เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเราไม่ต่อสู้เรายอมรับเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะใจเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจเรากลับไปวุ่นวายไปกับร่างกายนี่คือการปฏิบัติเพื่อ ดึงใจเราออกจากร่างกายไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกายให้ปล่อยร่างกายก็เป็นไปตามเรื่องของเขาสนใจนะโอเคเอะไรนะเียว่าสมวกวนเกเวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด